คำนำของผู้แปลหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับโลกทิพย์กายทิพย์การเดินทางด้วยจิตเป็นต้นหนังสือเล่มนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นเรื่องประสบการณ์ของบุคคลคนเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลจํานวนมากดังเช่นในเรื่องการเดินทางด้วยจิตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือผู้เขียนได้เล่าถึงความรู้สึกของตนอย่างละเอียดไม่ยกเว้น แม้แต่ในเรื่องความรู้สึกทางเพศซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงโดยไม่ได้นึกฝันในระหว่างที่กำลังเกิดประสบการณ์นอกกายเนื้ออยู่ซึ่งจะมีกล่าวไว้ในบทที่ส5บห้าอยู่ในเล่มสองผู้เขียนเรื่องนี้คือมิสเตอร์มอนโรซึ่งปัจจุบันเป็นประธานของบริษัทสองบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านโทรทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์ครอบครัวมอนโร Monroe, อยู่ที่ไร่แห่งหนึ่งในเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาสถานที่นี้ เป็นที่ตั้งของสถาค้นคว้าทางจิตซึ่งมิสเตอร์มอนโรเป็นผู้ทำการเปิดเมื่อคริสต์ศักราช1931ยข้าพเจ้าแปลหนังสือเล่มนี้ขึ้นก็ด้วยคิดถึงคำกล่าวที่น่าฟังอย่างยิ่งของนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งคือดรฟิลลิปมอริสันแห่งสถาบันแมสซาชูเซตส์เทคโนโลยีผู้กล่าวว่าเราเคยทำผิดมาหลายครั้งเหลือเกินเรายัางไม่มีเครื่องวัดระยะทางของจักรดาราคือกาแล็กซี่ที่ห่างไกลออกไปพอ จึงยังไม่สามารถกล่าวอะไรได้อย่างแน่นอนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสากลจักรวาลของเรายังอยู่ในขั้นอนุบาลเท่านั้นบางท่านอาจจะแย้งว่าคำกล่าวขั้งต้นนั้นนักวิทยาศาสตร์มุ่งกล่าวถึงโลกและจักรวาลส่วนที่เป็นวัตถุเท่านั้นไม่ได้รวมถึงเรื่องจิตใจด้วยแต่ข้าพเจ้าคิดว่าแม้ในแง่วัตถุซึ่งเป็นเรื่องของเขาโดยตรงนักวิทยาศาสตร์ที่ซื่อตรงก็ยังยอมรับว่า เคยผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วเช่นนี้เมื่อกล่าวถึงเรื่องทางจิตใจและวิญญาณซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาโดยตรงเราจะไปหวังนับถือและบูชาได้อย่างไรในบทนําของหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ก็มีคํากล่าวของนักวิทยาศาสตร์ผู้เขียนบทนํานั่นเองว่าถ้าหากประสบการณ์นอกเหนือกายเนื้อเป็นความจรงิงและเรื่องของมิสเตอร์มอนโรเป็นเรื่องที่ไม่ได้เพ้อฝันไปเองแล้วความรู้ในเรื่องโลกและชีวิตของเราคือในแง่วิทยาศาสตร์ จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนกันทีเดียวและการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้คงจะไม่เป็นมงคลเลยคือหมายถึงแก่ผู้ที่เคยดูถูกเกียจยามเรื่องเกี่ยวกับจิตใจและวิญญาณมาแต่เดิมมีการแปลเรื่องนี้มีบางตอนที่มีศัพท์ทางวิทยาการซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคมากเกินไปซึ่งเป็นการเกินความรู้ความสามารถของผู้แปลในกรณีเช่นนี้ข้าพเจ้าได้ตัดลงเป็นศาพทร์สามัญ ือให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจความหมายได้ผู้ที่ต้องการศัพท์และคำบรรยายในทางวิชาการโดยละเอียดขอให้อ่านได้จากต้นฉบับโดยตรงด้วยตนเองสิริพุทธสุข26กันยายนพุทธศักราชส5งพ